และ้วสวดถวายพรพระที่ย่ามงคลฮาถารุพระเจ้าเอาชนะมารทั้งหลายได้เอาแล้วมาสวดเป็นพิธีศาสนาพิธีนิยมสวดกันใน วันพระไ ป, ไปเที่ยวทัศนาจรไปเที่ยวศึกษาที่ใดนั่งบนรถกตธรรมเนียมของเหล่าชาวพุทธสวดผลดด น, ลนรถชัมมงคลกถาพระสูตรต่างๆ ก็จะได้ทำมีสมาธิดีที่เราได้มีการปฏิบัติกันมาเหลียนทองพ่อเกตำโคในเรี่กวศาสาศนาพิธีาศาสนาพิธีเป็นพิธีอันหนึ่งเป็นเปลือกเป็นกระพี่ ศาสนาบุคคลคือชาวพุทธปลพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีโาวสกบาชิกานี่เป็นศาสนาบุคคลนี่เ็เ ป, เป็นเปลือกเป็นเกิดพี่อี ก, กนหนึ่งศาสนาวัตถุคือโบสถวิหารพระพุทธรูป จะถูกเกดีต่างๆเป็นศารสนวัตถุบ่งบอกถึงพุทธศาสนาะก็มีความสำคัญเช่ น, นประเทศอินเดียส ม, มัยอังกฤษมาครองได้ค้นพบวัตถุที่เป็นพุทธศาสนาะมีพระพุทธรูปมีฐานมี แผ่นหินแผ่นปูนที่จะเลือกเขียนไว้ก็บอกบอกถึงพุทธศาสนาอยู่ที่นี่เป็นวัดอยู่ที่นี่คนพบที่โน่นที่นี่ก็หลังได้ศึกษาได้เรียนรู้พุทธศาสนานะเพราะศาสนวัตถุคำนวณพิสูจน์ ได้บอกใครข้ราสารที่อุาสกที่มาพื้นภูว่ากสกธรรมปาละคจะไม่ได้สีลังกานะเป็นสีลังกาประเรียนอยู่ที่สหรัฐ ได้เลยจากกฟลหลังเขาพูดเรื่องพุทธศาสน า, าให้ฟังที่ประเทศอินเดียโดยมาศึกษาไละเข้าใจมีศรัทธาต่อพุทธศาสนามาเพื่อนปูพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียมาเอาคืนสถานที่ต่างๆพุทธคยาสารนาศพวกฮินดูเขาครอง เว็นที่เลี่ยงจเจรยงแพรเขาวาสุกธรรมปาละไม่ขอโทษจนะไม่ได้นะมาเอาคืนมาพองมาล่องก็อยู่หลายปีจนมาถึงยุคมหาตมภัาขณทีเป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ช่วยเอาเคืนมาเป็นของพุทธบริษัทต้ยพวกเราก็หรือว่าเป็นของพระพุทธศาสนาไปกราบไปไว่ว้ทำให้เราลำเลืกคิดถึงอันนี้สารสนตถุ ก, ก็มีความสำคัญที่วัดป่าสุขกโตนี่ยยังไม่มีสารสนตถุอันใดที่จะพอยเป็นจารึกหลักฐารไว้ ร้อยปีพันปีที่จะทนทานอยู่ได้ก็จะมีแต่ธรมกรมจักจะได้ถึงพันปีไห ม, ไ, มได้นะศิล <c oughs> าจิตตะโโภศิลาจิตตะโชโภรูปแบบของการสร้างจังหวะที่หลวงพ่อทามาเป็นหินโอนอาจจะลบไม่ค่อยง่าย สีท่า15้าสห้าท่านะองค์จะพอมีทับถมอยู่ตรงนี้บางันนี้ศานสานวัตถุศาสนาธรรมศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุต่างกันกันกบศาสนาอื่นเป็นคนละแบบกันศาสนาธรรม อันเดียวกันทั้งหมดเลยแบบนี้มีสติเป็นอันเดียวกันเลยมีเมตตากรุณามีศีลมีธรรมเป็นอันเดียวกันหมดของทุกศาสนาถ้าใครมีสติก็เป็นอันเดียวกันนี่คือศาสนาธรรมจนถึงมีมรรคมีผลเป็นพระานใจเกณเปลือนกันหมดใจลอยก็เหมือนกันหมด ถ้าใจรายเป็นศาสนาธรรมที่เป็นอกุศลถ้าใจดีเป็นศาสนาธรรมที่เป็นกุศลเหมือนกันหมดทุกกีวิตที่เกิดมาเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็มีกายมีใจปัญหาเกิดจากกาจากใจความโกรธความโลภความหลงกเหมือนกันหมดเป็นอกุศล ความคิดก็เหมือนกันหมดพูดก็เหมือนกันหมดทาก็เหมือนกันหมดทาดีก็เหมือนกันหมดทาชั่วก็เหมือนกันหมดนี่เรียกว่าศาสนธรรมจะต่างกันต่อเมื่อเราพึกหัดจริงที่เขาทุกเราไม่ทุกจริงที่เขาโกรธเราไม่โกรธจิงที่เขาหลงเราไม่หลงจะต่างกันตรงนี้เรียกว่า มีธรรมเล่าความชั่วทำความดีได้นี่เรียกว่าศานะสานาศาสนาธรรมศาสนาทั้งหมดมีอยู่สอย่างรวมกันเขา้าถ้ามีแต่ศาสนาธรรมไม่มีศาสนาะพิธีศาสนบุคคลศาสนวัตถุนั่นก็ไม่ได้เงินข้าวที่เรามากิน ต้องมีข้าวเปลือกเราไม่ได้กินข้าวเปลือกแต่ต้องเก็บข้าวเปลือกไว้ถ้าไม่เก็บไว้เอาเข้าวสารมาเก็บไปเพาะไม่เกิดจึงมีวิธีบอกกันมีวิธีบวชมีวิธีกราบป้ายหัดกันจนสิ่งที่ห่อไว้เราจะมีสติได้อย่างไร หัดไหว้ที่กายกายอย่านุปจนนามิสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนี่เอากาย ท, ทั้งท่านที่กายมไม่มีมีหลแล้วก็หัดมันเป็นข้าวเปลือกเก็บไว้มีรูปมีแบบวิธีกราบวิธีไหว้วิธีสวดที่นี่เราเป็นสถาบันการสวด ย, ยังเพียนเพียนอยู่ ไม่ถูกต้องตามอักครพยัธชนะเท่าไรเราก็เรียนตามพ่อโกอตามครูมีพิธีเช่นสวดนี่ไม่มี่อสองทำนองสามทำนองสวดทำนองหนึ่งเรียกว่าสังโยค เอกทำนองหนึ่งว่าร่องแก้วเอกทำนองหนึ่งด้วยว่ามะคดจะรู้จักเขาจะสวดทำนองไหนเขาต้องขึ้นต้นว่าเราไปสวดกับที่ใดถ้าเขาขึ้นต้นแบบนี้กแบบ็ต้องสวดทำนอง น, นั้นเช่นขึ้นต้นนอกบวจะจั อันธรรมยางพุทธจารยวตโตปุะนมากาลังกาโลมาเสถ้าเขาขึ้นอย่างนี้ต้องสวดต้องสวดมคตังสนนังขจามิมังสนนังขจามิสังขังสนนังขจามิ ว่าไปแบบนี آ, ้เสวนาจจพาระนังปันติตานั่นจะเสวาาัาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปติรู ป, ประเทสาวาโซจ่าภูเพจกะตาปุญญาตาอัตสัมมาปานิธิจาเอตัมมังครมุตตะมังสวดไปตำล่างนี้แล้วขึ้นนโมเริ่มต้นจะสวดเป็นล่องแก้ว นะโมตจปาคกวะตุอระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตจปาคกวะตุอระหะตสัมมาสัมพุทธะจนะโมตจปาคกวะรีบทันทีแหละภาคังเขานิยงสวดลองแก้วเพราะกำหนดเวลาตอนภาคังมาร่วมพิธีให้ตรงต่อเวลาเวลานั้นเริ่มต้น จบในเวลานั้นปิดเวลานั้นให้ได้ตามเวลาต้องสวดลองแก้วทันเวลากำหนดได้ภูงสหังอเศวนจาจพารนางบันติดานันจเศวนาปูชาจพูชนียังเอตามังคะรมุตตะมังนี่เรียกว่ า, าลองแก้วถ้าสวดสองโยกก็ต้องสวด นะโมตัสสะภะควาตตอรหโตสัมมาสั ม, มพุทธัสสนะโมตัสะภควาตตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสว่าไปตำลองนี่พุทธังสรนังคั ฉามิทำ ม, มังสรารนังขัยฉมิสร้งสงางขังสรารนังขัดฉะมิํานองนี้หรือวามาคตเออสโยกสโยกมาคตพุทธังชนังกัจฉามิทำมังสนานังขัจฉามิ ส, างงสร้างขังสารนังขัจฉามิหรือวะ่มามาคดมีอยู่ภาคเหนะือ แถบร่มน้ำแม่โขมยังสวดตับรานี่อยู่ที่นี่ยังเราสวดพระหงหน่ะมันก็ไม่ถูกพ ย, ยัญชนะเท่าไหร่อย่างอักขปะโตปโมทาเทุนกกาตังสุมังกาลังสุปะปะตัง ปะทกขีนังปะทาขีนางเนี่ยมันเพี้ยนไปปะทามันเป็นฉลาไปขีมีเฉลียมีไม่โูไปซะไม่ได้ปะทากาปะโตปะโมทติจุนกขัดตังชมังขัดตังชปปะะตังชุหติตังชุกโนชมโต สุทองพระ m a j a l สุปทัทคีนงังพระจัปปัทคีเน่ยปักคีนังกายกรรมมากระมัปปัทคีนังปักคีนงันงอนอทุทิฏีสักหน่อยอย่าว่าปักขีนังปทัทคีนงมันไม่มีมันเพี้ยนไป ต้งทีๆปทากินางปทากินาง ม, มางนุกามังเพนทธิแต่ปทกินาปทากินานี่กิตัวตะไม่มีสละมันมีเข้าไปคันตาาแต่ขาดทรอบไว้กระตุว่าขอตัวไม่ต้องเน้นสละไม่ต้องเน้นเพราะมันไม่มีอย่างคุดทังสละเนี่ยมันไม่มีสละ อย่าไปนเน้นมัน ก, นกัตวกัตวากัตกัตวากัตธามันไม่ใช่ไม่มีลสละอันนี้คือสถาบันส่วนมากเอามาจากภาคกลางวัดบวรนิเวศวัดมหาธาตุยุวราชหลังจิตเป็นต้นฉบับทำนองเอาที่นั่น เดีย๋ยวนี้ทำนองมันเพี้ยนไปบางทีหลวงพ่อหลวงตาไม่เรียนมาล่ํามารีเพี้ยนไปหมดเลยไห้เิ้นก็ไมงถูกนี่เรียกว่าพิธีสาชัดพิธีก็ต้องให้มั่นยอมชัดเจนให้ฉละเป็นฉลาก็สาบาลี <c oughs> ไม่โทรไม่มีไม่โทรก็ไม่มีจระเอียร์ไม่มีีสระโอสระอีย่างยัดถ่านนี่ยัดถ่าก็มีแบบฉบับนะ สชั้นห้า uh, ชั้นเจดชั้นขางไหมจะว่ายังอยากทาบาลีวะปุราพาลีปุเรนติสาคดังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปตีหนึ่งแล้วนะอิจิตังวิจิตังตมหิปะมเมวะชไม่ะตัสกปปุเรตัสังกปาสองข้าง ยันโทปนละโสยถามณีโชติระโสยตาสชั้นญถาสชั้นญถาวารีวห้าปุราปารีปลนเตชะาตังเอวะเมวะอิโตเทนังเปตานังอุปกะปติอิจิตังวิิตังตมังขิปะเมวะฉมิจฉตุสเปเปลนตุสังกปา จันโทปนละโสยตมณีโชติละโสยตถสามชั้นนโมหชั้นตานโมที่จะแสดงถึงห้าชั้นนโมตจปาคาวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธะนโมตจานหนึ่งชั้นปาคาวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธะสองชั้น นะโมตสัพควาโตสชันสามชันอะระหโตสมสีชันสมุทศหะชันน้ามูหาชันนี่เรียนตามข้อต่อกรุ นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวโตอะระหนโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนี่ไปไหนนี่ไม่เกิขึ้น เขาจะดูเราเวลาเราขึ้นโมให้สินก็เหมือนกันเขาจะดูเราเวลาให้สินถ้าเราให้สินเพี้ยนไปเขาไม่เคารพไม่ใช่ค น, คนเขาไม่รู้เขาเรู้เขาได้ศิกเจาเขาเราเรียนมาเราก็ควรจะเรียนตามข้อกต่างูฝังเอาไวา้ให้เราทำอะไรให้มันทูกวุฒธจลานังคัตชามิ ว่าให้มันถูกปานาติปาตาเวลมณีจิกาปทังสมาธิามิน่าให้มันดีดีเราเป็นสถาบันอะไรก็ให้เป็นสถาบันให้ถูกต้องชีวิตก็เป็นสถาบันเหยาะทาวารีวานาให้เหมือนกับแ ม, นะม่น้ำกำลังเต็มเตี่ยมในใจเรา วาลีวาหาวารีคือแม่น้ำเต็มเต็มในขันในแจ้วในกาในออ่งในห้วยในหนองเมื่อเกิดแม่น้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาคูนให้บริวณได้ขันดอยน้ำใจของเราให้มีในขณะที่เราว่ า, ายถา อย่าไปว่าอันว่ายัถาอย่างหน้าเหลียวหน้าเหลียวหลังมือทาโน่ทนทานี่ไม่ใช่ใชเพ่งลงไปใสใจลงไปยะถาวาลิวาาปุราปาลิปุ ร, ป ร, ป ร, ปรนเตชา ข, ขาทางังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติไปแล้วไปถึงเปตผู้ดีบายล่วงลาดับกันไป อจิตังปาจิตังตมังจิปัเมวะจะเมจะตุชพเปวเลนตุสังกปาไปแล้วจากโทปุณณะโยธามนิโชติลาโสยธาไปแล้วครถึงประชาชนโอละโปายิกา โอภัทรพชะปุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วพอสวดยถาแบบนี้เราเรียนน้ำให้หมดตุทิศบัดนี้มารับบุญสาวบ้านปะนมืองปีติวัชันโตความจัไหลทั้งปวงจำระไปทั้งผู้ทำบุญทิศให้บุรผู้ทิศให้แล้ว ผู้ทิศส่วนบุญก็ได้ส่วนบุญนี่คือว่าพิธีกรรมของพวกเราทำให้วันทุกหลังทีก็เ ว, เวลาตรวจน้ำท่านเป็นไงยิ่งจะถูกพิธีปฏิบัติการตรวจน้ำปฏิบัติอย่างไรเขาจะถามนักธรรมหลังคนก็บอกว่าเอามือลองลิ้นน้ำใช้มือมันไม่ใช่ อย่าเอามือไปลองให้น้ำถึงภาชนะทันทีตรวจน้ำทดมไงเวลาพระว่ายถาลินน้ำว่าวพระว่ายถาจบเทน้ำให้หมดว่าวาสปิโยปนมืออย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติ ถ, ถูกต้องเป็นสถาบันเอาพุทธโลคนทำอะไรให้ถูกต้อง เป็นสถามันไปนเลย้าไม่รู้ก็ถามท่านบุรูษก็ไม่รู้ฟังผู้ที่ท่านรู้ทาในสินอย่างไรท่านสวดอย่างไรไม่ต้องสอนแอบฟังแอบฟังแอบฟั ง, อ, ฟงอย่างที่เราไปอุทยานพระหลวงบอทองคำเมื่อวันเสาร์นี้ เขาสวดธรรมจักรเขาสวดนาชสัพย์สวดชัยมงคลกาถาอันได้แบบได้บับมีแต่มีแต่พระมหาอวาดาธรรมาจักรเคียบเลยสวดได้ถูกต้องอเครียดพ ย, ยัญชนะแล้วก็ฟองเอา ไอ้บังไม่สุดต่งเองกังสมายจังพระกวาปาราสิเจว่าชัดเจนแม่ยำน่าอะไรกัแม่ยำแล้วก็อย่าให้มันหนีไ ป, ปเปล่าๆให้เราได้เก็บเอาเพื่อมหัดอาเพิกตนสอนตนศึกษาเรื่อยไปพวเราไม่จบไม่สิน้นปฏิบัติธรรมก็เช่นกันลุยๆสักหน่อย <c oughs> ที่เราว่าจะถามไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถูกต้องหรอกท่านผู้รู้มาฟังเราก็ไม่ค็ดว่าให้มันถูกต้องนะฮะก็ไม่ได้สอนกันเท่าไหร่หรอกในวันนี้เห็นสวนภาหลงเป็นวันธรรมสัมมณะก็พูดภาษาสาธิปิธีเล็ ก, ก, กน้อยไปประกอบกันเข้าเพื่อเราเป็นผู้น้อม เรื่องอย่างนี้มันก็สอนกันมาตั้งแต่การบวชใหม่ๆเรียกว่าอนุสาวร์ไม่รู้อะไรไม่ได้นักปวชนี่ถ้าเมื่อมีใครมาถามไม่รู้ไม่ต้องตอบแบบนี้ต้องรู้อะไรที่ญาติโยมมาถามต้องรู้วันเดือนปีต้องรู้ อย่างพระอย่างบวชนี่พอบวชเิดพระอุวชาจะบอกตาวะเทวชยาไม่จะเปอุตุปุปปนังอคิ critique, ิธิพ so ังท่ว um ัสวาโสกิตติูนเป็นภาษาาลีให้รู้จักลึกรู้จักยามรู้จักเวลาวันเดือนปี้ะดูผลจะดูลนมองดูอากาศทิศทางเป็นเช่นไรในวันนี้ มันขึ้นขีค่ำแดนขีค่ำอรูจับด้จักลึกตาวาเทวะฤกษจักวันเดือนปีเพื่อจะได้บอกญาติบอกโยมการบอกญาติบอกโยมวันฉินวันพระตีกองตีกลองดึกตีกองดึกเติมติมติ ม, ตมนั่นเป็นวันพระ ญาตจิมจะได้ไม่ประมาทเพราะเขาได้ยินเสียงกรองเขาจะโอ้วันนี้วันพระจะได้ลุกแต่เช้าหุงข้าวนึ่งข้าวไปทำบนตังบานผู้ที่ประมาทเขาอาจจะได้ล่ำลึกคิดถึงเพื่อประเภทนั้นตีกองดึกหลวงพ่ออยู่วัดภูเขาทองตีทุกวันถ้าเป็นวันพระ ตีสีตีคอนต่อมันตีหมุกตีลองคังบินทาบาทถ้าเป็นวันพระก็ไม่ตีกาลังคังตีค้องตีกองถ้าตีกองเทเ็ืแล้วว่าพระไม่ไปบินทาบาทให้ยมมาวัดแล้วก็ต้องเตรียมธรรมาทุไว้เพื่อจะแสดงธรรมก็เทศเรื่องใดให้ญาญโญฟังวันนี้ เีมธรรมเทศนาไว้ให้ถูกกาละเทศะถ้าเป็นฤดูไหนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นไข้เลือดออกเป็นหวัดอะไรต่างๆวัดไข้อะไรต่างๆแล้วก็ดูลึกลู่จากกาละเทสะของบ้านเมืองให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันแสดงทําไปตามเหตุตามปัจจัยในวันพระในวันเลือกนี้เดือนนี้ปีนี้ บอกไปในช่วงสงการควรจะบอกอันลยในช่วงปีใหม่ควรจะบอกอันลยในช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาควรจะบอกอะไรเสีญาติโ ย, ยมให้รู้ลึกดูจอมให้มืนทันสมัยตอนเพน <c oughs> ตีเพนไม่มีใครมาก็ตามตีตย่งเง้กองเพลใครมาไม่มาก็ไม่เป็นไรตีไปงั้นละ ตอนเย็นตีกองธรรมวัดนี่ระว่าอย่าให้ขาดเป็นนักบวชที่อยู่วัดอยู่ว่าแล้วก็เราก็ท่าทายเขาเช่นนี้เหมือ น, นมีวัดมีบ้านเหมือนสมัยตะก่อนตีกองฟังธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเสียดายเสีดายกองฟังธรรมเนี่ยตอนบ่ายสามโมงสี่โมงยังกองฟังธรรมเพิมขึค้คนเท่าคนแก่ถือดอกไม้ทุกเทือน ต้องพาถือพาสวียงสบายสวียงบ่าใบฟังเทศฟังธรรมพราท่านก็เทศทุกวันกองฟังธรรมตอนเนอย็นทำไมเป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนั่นวัวคงอะไรมันก็รู้เวลาตีกองฟังธรรมหมมมมดังไปในโคกในดวงในป่าวัวมันก็โคงกลับบา้านไม่ต้องไล่มันได้ยินเสียงกองมันรู้ มันก็กลับบ้านจำเสียงกลองได้บ้านของตนเลยแม้แต่เด็กเลี้ยงควายหลงบ้านได้ยินเสียงกลองฟังธรรมงูกองว่าเราชะนีบ้านเราชะนี้ดูจักบ้านหลงบ้านบ่อยเป็นเด็กเลี้ยงควายเพราะมันโคกใหญ่โดงใหญ่จะไม่เป็นเด็กนลยเื่อได้ยินเสียงกลองฟังธรรมตอนเย็นล่ะโอ้ยจาบ้านได้ดูจักต้นวัวต้นควายเข้าค้อเข้าแรงเตนี่มันก็ เป็นที่เกิดของวัฏธรรมเป็นที่เกิดของของุนกุศลขอ ง, ข อ, งอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้เราก็ทิ้งไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าตาว่าเทวชยเมตตาแต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติตามถ้าเราเป็นนักบวชจริงๆต้องชัดเจนแม่นยำทำเป็นผู้นำของกิจวิญญาณของทุกอย่าง อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ยอดยมเขาไม่ยอมรับหรอกว่ า, าบอกว่าไม่รู้เนี่ยเขาไม่ยอมรับอะไรต้องรู้จักถามอะไรต้องรู้จับไม่รู้ก็ศึกษาไม่เข้าใจถามท่านผู้รู้อย่างนี้เลยว่าสาระวิธีส า, าะสะบุคคลสาในวัตถุส า, าสนธรรมให้ได้ทั้งสี่อย่างนี่ ไวเถอะหรือวบันไดในโลกเนี่ยไม่ต้องกลัวเดีย๋ยวมีผมด้วยยิ่งมาปฏิบัติตธรรมเนี่ยเอาจับสายบังเหียนมาเลยนะชีวิตเราเนี่ยอไม่มีอะไรมากม า, านไงไกลัวหลงกลัวลู้หลงกี่ครั้งกี่หนโกรธ ก, กี่ครั้งกีหนทุกข์กี่ครั้งกี่หน เคยเปลี่ยนไหมเงิ น, นสมควรแก่การปฏิบัติไหมเราก็มาดูตัวเราเราจะรู้ตัวเราจะได้กระตื่นือล้นจะได้เกิดฉัทรถาไดเห็นตัวเราขาดตัวบกพ้องเป็นเช่นนี้จะได้เกิดฉัตราทิ่มตัวลงไปลุยเลยได้มีฉัตราก็มีความขยัน ถ้ามีความขยันก็มีความเพียรถ้ามีความเพียรก็มีสติถ้ามีสติก็มีสมาธิมีปัญญาศรัทธาจะให้อ่อนเองให้เข้มแข็งอยู่เลยศรัทธาเนี่ยไม่ว่าอะไรถ้าเรามีศรัทธาเน่ยอยู่นี่ยต่อหน้าที่อนไนที่มันชอบต้องมีศรัทธาสุดจริต อย่าเป็นทุทติยลดัธาปิปหลิดไม่ใช่ศรัทธาต้องประศรัทธาสมประยุตธศรัทธาแน่วแน่เชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยมีศรัทธามีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตชัดเจนแม่นยำ เวลาหลวงพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งหมอเขาพูดว่าหมอบอกว่าต้องให้กีโมที่นี่มีคนโทรไปหามีคนเขียจนจดหมายไปจะเอาออกจะลงพดบัตไม่เห็นด้วยหลวงพ่อจะให้กีโม กลับมาบ้านมาตายอยู่บ้านดีกว่าหนึ่งให้จีโมเนี่ยมันฆ่าชีวิตหลวงพ่อก็เกอแล้วน้ำหนักก็ไม่มีเลือดก็ไม่มีให้จีโมเท่ากับไปฆ่าให้ตายเข้านีคนก็มีความคิดเห็นหลายอย่างแต่เราก็มีสัทธา อะไรก็ได้เราไม่รู้หมอรู้กว่าเราเรื่องนี้มีศรัทธาโมก็บอกว่าไม่ค่อยได้ผลเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีพิธีทําอื่นอีกอื่นได้แล้วต้องให้เจโมอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีแล้วสุดความสามารถแล้วไม่ค่อยจะได้ผลหนึ่งหลวงพ่ออายุมากสองน้าหนักล ด, ลดเลือดไม่มี แต่ต้องให้จําเป็นต้องให้ไม่มีทางอื่นเราก็ให้เราเส้นอา้าวแลวก็มีเท่านี้หลวงพ่อเราก็เส็นเลยไม่กลัวโอ้ให้จีโม่หลวงก็ขยันนะบ่เนี่ยวัดมันที่นัดให้จีโม่หลวงอุ้ยมีความพอใจมีจิตต์สุขสบายที่สุดเลยโอ้เอาขาให้ไปก็มันไหลไปทั่วนะ หมอกำพลยืนอยู่ข้างเตียงเห็นกวดกิมูแ ด, ดงขนหัวลูกสันขน ด, ด, ด, ด, ดุดๆท่าบเขาบกากล่วโอ้ยเราลอยชื่นใจไม่ได้กลัวลยคิดอะไรล้วก็วให้ไปกันไหลลงมาถึงท่าวันหนัก อ, อืออือยิ้มในใจไม่คิดกลัวเลย ขนะอให้จีโมก็แพ้จีโมต้องอัดเจียนทังท่องขูดทั้งท่องเดินสารพัดอย่างก็สนุกไปแล้ววันนัดเอกอยากให้ถึงวันนัดเอกอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอยากให้ถึงวันนขยนันยิ่งไปให้รังสีเนี่ยอุ้ยอยากจะวิ่งไปหาห้องรังสีเลยเมื่อไใดหนูรถจะมาหลับเมื่อใดหนูรถจะมาหลับ เราเห็นรถมาแล้วตื่นเต้นมากมีความสุขมีความสุขว่ให้กี่หมูมีความสุขว่ายหลังสีแต่คนอื่นทําไมเขากลัวเขาหลังเกลียดมีศรัทธามากนะความดีมีศรัทธาไม่ทอถอยไม่ทอทุละเด็ดขาดมันหลงนี่ทิ้งไม่ได้ต้องเปลี่ยนไม่หลงมีศรัทธาต่อความไม่หลง ไม่ให้ความหลงควอบงำได้ศรัทธาตัวนี้ความทุกข์มีศรัทธาตัวความไม่ทุกข์ความโกรธมีศรัทธาตัวควมไม่โกรธที่เหมือนเป็นทุกข์เรื่องใดมีศรัทธาต้องเปลี่ยนให้ไม่ทุกข์ทุกเรื่องชีวิตเรานี่แล้วมันก็เปลี่ยนได้จริงๆนะขยันตรงนี้มากที่สุดแล้วเจอหลงเจอทุกข์เมื่อใดละ่ะเป็นอันว่าสนุกเลยทีเดียว เป็นงานเป็นการที่เป็นความโชคที่สุดเลยเย็นทุกข์เป็นไม่ทุกขนะ์เลยไม่ให้ความทุกข์มนข้างค่านอนเนืองในจิตใจได้เลยมันมีศรัทธาแบบนี้ลนะนี่คือศรัทธาเมื่อไม่ธาก็เปียดขา้ขาก้าผิวอัเพี้ยนนี่คือความกล้าไม่ใช่ความอ่อนแอค่อยๆทาไปก็ความกล้ า, า, ม, ล า, า ม, มันเข้มแข็ง เห็นไหลมันไม่หลับไม่ไหลมันตื่นอยู่เสมอปฏิบัติธรรมจนเรื่องที่พัฒนาชีวิตดีวันดีคืนขึ้นมาเหมือนเราทำงานทำการทำนาแปลงใหญ่เดินทางไกลเอาไว้หลังจริงนั่นทำแล้วจรินีทำแล้ ว, ลวผ่านที่โน้นแล้วผ่านที่นี่มาแล้ว ผ่านความหลงเป็นความไม่หลงผ่านความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันผ่านได้ตลอดไม่ทุกข์เป็นทุกข์ไม่หลงเป็นหลงทุกเรื่องอะไรผ่านได้ทุกเรื่องทุกกรณีนี่คือปฏิบัติธรรมมันกระตือหรือรุนไม่แต่ความ ง, ง่งเหงานอนผ่านเป็นความ ตื่นขึ้นมานี่ยสิอะไรก็ทีนั่นตื่นขึ้ น, นเวลามันทีงว่วงนอนแดดตื่นขึ้นมาปลุกตัวให้ตื่นขึ้นมาไม่ยอมเด็ดขาดมันมีอยู่คร้อมตื่นแต่เวลาจะนอนเวลาจะหลับไม่ใช่เวลาตื่นก่อนหลับได้สบายงั้นฉันก็ได้คิดกับเราเนีย มันก็อยู่กับเราเถอะเอยู่กับเรานี่เราไม่ได้ใช้ไม่ฝึกตนสอนตนนะมันเทียมเทียบเท่ากันเทียบเท่าเทียบท่าเทียบเท่าทำได้ง่ายถ้าเทียบมันขึ้นง่ายง่ายถ้าไม่เทียบมันอย่ากลัวมันอ่อนไปเลยมันไม่สู้ นั้นก็ไม่ไหวอันนี้ก็ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่มีความคิดแบบนั้นไปอะไรก็ไม่เป็นลรบางทีก็สวนทางกับคนอื่น เคยพูดอยู่เสมอว่าสมัยหนึ่งเดินทางไปเชียงใหม่ไปสอนธรรมที่ระยัพเชียงใหม่มีเพื่อนไปด้วยกันสองลูกเพื่อนรถสีส้มที่ขอนเก่นสมัยสามสิบปีน่นมันรถทัวยังไม่เจริญจนต้องขึ้นไปจองที่นั่งถ้าไม่ขึ้นไปนั่งไว้ นั่งไม่มีที่นั่งต้องไปจองกว่ารถจะออกต้องนั่งข้างหลังเขาให้นั่งข้างหลังเหงาะหลังรถก็โส ม, สมรถก็ไม่ใหม่หมเวลานั่งเวลาติดเครื่องก็ล่อนขึ้นที่ขัน้นด้านหลังอากาศก็ล่อรถก็ล้อเหงื่อโสมถ้าลูกหนีอยากที่นั่งกําได้คนอื่นจะมานั่งแทน เพื่อนก็เงือไหลใครย่อยเพื่อนก็บ่นว่าแย่แย่แย่ไม่ไว้ไม่ไหวตายตายแบบนี้ตายตายเอาหนังสือมาพัดดอมคำเขียดแย่แย่ไม่ไหวไม่ไหวตายตายบ่นอยู่ต้องตาก็ทำท่าจะเป็นทุกข์เราก็นั่งอยู่ข้างๆกับพูดในใจ ไหวไไม่ตายไม่ตายไม่แย่ไม่แย่เอาพูดทีลยก็เราก็สวนทางไหวไหวเอาว่าไม่ไหวเราก็ว่าในใจเราไหวไหวเอาว่าแย่แย่เราก็ว่าไม่แย่ไม่แย่เอาว่าตายตายล้วก็ว่าไม่ตายไม่ตายสนุกไปเลยสวนทางจะเนี่ยที่ว่าทวนกัะเสือไม่แต่คนอื่นแสดง แล้วก็แซงเข้าไปเทียบไหลเข้าไปเช่นเห็นคนสูบบุรี่เราไม่สูบบุรี่เราต้องดีกว่าต้องแซงเขาเราไม่เสียเงินบุหรี่มวนหนึ่งหนึ่งบาทเราไม่เสียเงินหนึ่งบาทเหมือนเขาเราก็ได้ได้ได้ถี่ไ ด, ได้ท่าไ ด, ได้รู้สึกว่ามันมัน ถูกต้องกว่ายิ่งเราเห็นคนหนึ่งหลงเราไม่หลงเนี่ยถ้าเอาประโยชน์จากกันเด่นนะี่ยแม้แต่เราหลงเราไม่หล ง, ย, งยิ่งแน่วแน่มั่นคงเราทุกลงไม่ทุกนยะิ่งแน่วแน่มั่นคงนะนี่ตัวชีวิตจริงๆมันได้ชีวิตตรงนี้จริงๆน่าจะกระตือรือร้นเปลี่ยนหลงไม่หลงหรือว่าได้ชีวิต เปลี่ยนทุกไม่ทุกหรือ ว, ว่ามีชีวิตเปลี่ยนโกรธไม่โกรธหรืว่าได้ชีวิตถ้าหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธไม่มีชีวิตชีวิตกอขึ้นที่นี่ยิ่งจะไปเหนือการเกิดแจ็เจ็บตายถ้าไม่เปลี่ยนตนัวนี้ไม่ก้าวไม่ข้ามตัวนี้ไปก็ยังมีการเกิดการแจ่การเจ็บการตายอยู่ก็มันเหนือแล้ว พอเหนือไปทำสินงที่มันยากง่ายไปเหมือนเราเห็นดอยสูงสูงยอดเขาชูงสูงเราอยู่ต่ำๆเราไปเที่ยวเมืองกินเขาไปพาไปดูมอโดกโล ก, โลกตอนนั่งรถไปโน่นเขาจะพาไปโน่นห่ะลิบปลีอยู่เหนือเมฆเลยเป็นมรโดกโล ก, โลกเป็นภูเขาหินสวยงาม เราจะไปยังไงก็ออไปอย่างนี้แหละแต่ทางเที่ยวไปก็ค่อยๆเอียงขึ้นเอียงขึ้นไปบุที่สุดไปอยู่ตรงนั่นเลยที่เรามองเห็นสูงๆเราไปอยู่บนหลังเขาลูกนั่นเลยไปจับไปแตะต้องไปสัมผัสก้นหินงามๆนั้นโดยชื่อไม่เท่ามาลนหนึ่ง <laughs> มาจากที่นั้นมวระโดโกโลกของเมืองเชียงให้ อันชงสูงเราเห็นเราก็กลัวไม่ใช่เราจะไปเหนือการเกิดเจ็เ จ, จ็บตายาก็เปลี่ยนเท่า น, นี้ไปนี่ก่อนหลงเป็นรูปทุกเป็นรูปโกรธเป็นรูปผิดเป็นรูปไปนี่ยังไปไหลไปลาด <S <S ไปลาดไปลาไ ป, ไ, ป, า ไ, ปาไม่นานขึ้นสูงเช่นเราปฏิบัติธรรมเรามีสตินี่เจ็ดวันห้าวันสีวัน มองคอยหลังไปโอ้เรามาตึงตีนแล้วนาะตึงทีเราหลงไม่หลงแล้วนะกี่เคยทุกไม่ทุกเราหนะมันก็ต่างเก่ารู้สึกวสูงกว่าเก่าถ้าเป็นจิตใจมันก็สูงกว่าเก่าดีกว่าเก่าเปรียบเทียบกับอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนมันก็ดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไป จนไกลสิ่งที่เคยเป็นเปลี่ยนแปลงไปพ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเก่าอะไรก็เคยเป็นยังไงมันไม่เป็นให้มันเป็นมันก็ไม่ได้มันขุมขืนมันใช่ได้จะบังคับให้ทุกข์มันใช่ไม่ได้จะบังคับให้โกรธให้เกลียดให้ชังให้ สุขให้ทุกข์มันทําไม่ได้อันไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่อยู่บางครับงมันมันสุขบางครับงมัมันทุกข์น่าสุขทงนี่เป็นความทุกข์เหตุที่ทํำให้เกิดทุกข์มันมีจริงๆไม่เพียงนั้นจริงๆริงบางครับงมันมันทุกข์มันหลุดมันหลุดมันอ่อนมันไม่เอามันยอมมันยอมเหมือนกับข่มขืน กมขืนตัวเองนี่ไม่ได้อายตัวอายคนเด่นไม่อายตัวเองไม่ได้เด็ดขาดอายที่สุดคืออายตัวเองถ้าอายตัวเองเห็นตัวเองมากกว่าเห็นคนอื่นรู้ตัวเองมากกว่ารู้คนอื่นจิติจเป็นอย่างนี้จึงดูแลตัวเองได้ปลอดภัยกว่าดูแลสิ่งอื่นวัตัวอื่นมั่นใจตรงนี้ปฏิบัติทำ ม, มั่นใจ ในการใช้ชีวิตมีความมั่นใจมันเห็นทุกอย่างมันเป็นรูปมันเป็นนามอยู่ในกำมือของเราละความชั่วได้เด็ดขาดติมความดีได้เด็ดขาดมันเด็ดขาดมันเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ได้ขอร้องใครไม่ให้ใครช่วยเหลือสันที เด็ดขาดทันทีเหมือนหลงเด็ดขาดไม่หลงเหมือนโกรธเด็ดขาดไม่โกรธมันทุกเด็ดขาดไม่ทุกอะไรที่มันผิดเด็ดขาดที่ต้องให้มันถูกต้องได้ทันทีที่ว่าปัจจัตังทันทีทันได้ไม่ได้รอไดนี่เดียว่ามนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติเป็นสมบัติของเราจริงๆเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติในชีวิตของเราจริงจริง กรรมมือเดียวจริงๆตัวปฏิบัติเป็นตัวกรรมมือเดียวมันผิดให้เป็นถูกกรรมมือเท่านี้มันสุขมันทุกข์ให้เป็นไม่ถุกมันทุกข์ใมันถูกต้องรวมสุขควมทุกข์มันถูกต้องรวมไม่ถุกไม่ทุกข์ถูกต้องนี่เรียกว่ากรรมมือเดียวอะไรเปลี่ยนมาเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกแต่ว่ากรรมมือเดียวกรรมมือเดียว ชีวิตของเราไม่มากในเหมือนกับ ว, ว่ากิเลสปันห้าตันหาร้อยแปดอันนั่นก็เป็นเขียนเชือให้มาหมามันกลัวเรา ก, ก็ยอมชวนมาปฏิบัติธรรมยังมีจิเลสอยู่ยังไปไม่ได้ นั่นไม่ใช่อย่างนั้นที่เดชคืออะไรที่เดชคือสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองจะให้อยู่รวมพรมเศร้าหมองอย่างนั้นหรือจะหลงหรือไม่หลงไม่เอาเลยจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่เอาเลยจะโกรธจูงเช่นนั้นหรือไม่โกรธไม่เอาเลยไปไม่ได้หรือบางคนก็ไปไม่ได้จริงๆ ยอมให้ความโกรธนอนเนืองอยู่ในชีวิตของเราจนคิดว่าตายไม่ลืมแลยความโกรธเนี่ยแล้วก็ซ่อมเตือนตัวเองเป็นบาปเป็นอนันตเลียกรรมห้ามมรรค้ามผลนิพพานทำลายตัวเองนั้นปฏิบัติธรรมเ่ยสิทธิ น, น้อยไปจนเออเขาก็คนเราก็คน คิดเลยเลยนะเลยคิดเลยในใจไม่บาปนะหลวงพ่อเทียนถามหลวงพ่อเทียนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อปฏิบัติทำในอายุเท่าไหร่อายุสี่สิบหกปีตอนนั้นเราอายุสามสิบปี หลวงพ่ออายุสี่บปีเราอายุสามสิบปีใครจะหนุ่มกัวกันจะเก่งขนาดไหนคนเนี่ยมันก็คิดแบบนี้มันก็แข็งในใจแบบนี้จะเก่งขนาดไหนหลวงพ่อเทียนถ้าเปรียบเทียบคนอื่นก็รู้สึกว่าคิดไหลได้ มีพระเป็นเพื่อนกันหลายรูปคิดไหลได้เวลาเขาประมาทเราไม่ประมาทเวลาเขาห ล, ลงเราไม่หลงก็จึงเร้ว่าคิดไหลได้เห็นเขาหลงลงไม่หลงเห็นเขาประมาทเราไม่ประมาทเห็นเขาเล่นเราไม่เล่นเห็นเขาคุกคีกันเราไม่คุกคีกันเราอยู่ในไม่ได้เหมือนเขา นั่งกินน้ำร่อนน้าชาเราไม่เคยไปนั่งกับเขาปิวิเวกอยู่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นครูของเราในใจเกิงขนาดแหนจนมาเอาแอบเอาเตียงมานอนใกล้ๆกล้กติหลวงพ่อเทียนดูเอาหลวงพ่อเทียนใจขนาดไหนดูทุกคนทุกชีวิต ที่เป็นนักปวดที่เป็นครัวจ้าโจมดูเขาดูเราดูเขาดูเราดูเรามากที่สุดเมื่อลูกเราแล้วลูกคนอื่นพ <c oughs> อลูกเราหลงคนอื่นหลงมันเราหลงคนอื่นทุกข์มันเราทุกคนอื่นโกรธมันเราโกรธคนอื่นผิดก็เหมือนเราผิดสิ่งที่เราไม่ผิดสิ่งที่เขาหลงเราไม่หลงสิ่งที่เขา เราไม่โกรธทิงที่เขาทุกข์เราไม่ทุกข์ที่เขาบุญเราไม่บุญเขาว่าแย่เราไม่แย่เขาว่าตายเราไม่ตายเขาว่าไม่ไ ห, ไหวเราว่าไหวมันก็เลยเป็นศรัทธาแบบนี้นะปฏิบัติธรรมเข้มแข็งแบบนี้นะเราก็สมก่รอยู่เวลากับพระพร้อมกัน